ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธรชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องปังกาธาสุดอันที่จริงปังกาธาเป็นชื่อของหมู่บ้านแต่นั่นเองแต่ว่าท่านใช้เรียกชื่ออย่างนั้นมีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งผู้เจ้าเสด็จไปในแคว้นกุศล ไปประทับภักที่อารามในหมู่บ้านชื่อว่าปังกะธาแลภิกษุทั้งหลายก็มาประชุมกันข้าวเฝ้าทรงแสดงธรรมะเน้นย้ำถึงการปฏิบัติรมหลักของสิกขาบททั้งหลายพูดถึงระดับศีลแต่ว่าเน้นไปในเรื่องศีล กอธิบายให้รายละเอียดไปในด้านของธรรมะก็มีพระเทระรูปหนึ่งชื่อวกัะสปาโคตท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั้นตอนนั่ง ฟ, งฟังแเราท่านก็คิดภายในใจนะฮะในคิดภายในใจว่าสมณะรูปนี้ช่างขัดเกลาจริงๆ ตนถือว่าคิดแปลกนะฮะคือเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะลูกนี้ช่างการกล่าวจริงๆพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านปังกทาพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกลับมาที่แคว้นมคตประทับอยู่ที่ภูเขาคีชกูดสร้างการสปะโคตรรู้สึกไม่สบายรัดใจรู้สึกผิด รู้สึกผิดที่คิดไม่ชอบไม่ควรต่อพระพุทธเจ้าก็มาคิดว่าท่านนั้นประสบความเสียหายอย่างแรงจะไปคิดในทำนองนคล้ายๆกระดุมหมิ่นหรือทวงติง่งพระพุทธเจ้าพรสมณะนี้ส่างกัดกรเาจริงๆก็เกิดเดือดร้อนใจนอนไม่หลับก็ออกเดินทางจาก หมู่บ้านปังกะทาซึ่งอยู่ในแคว้นโกสนนั่นนะก็ไกลอกค์พระพระพุทธเจ้าที่อุกเขาคิดจะกูดก็กราบคุณเล่าเรื่องทั้งปวงนะัิกาแล้วสงสารแล้วขอขมาต่อพระพุทธเจ้าเพวความคิดเช่นนั้นเป็นการคิดโดยไม่รู้โดยเข้าโดยไม่ฉลาดเป็นโทษเป็นบาป แกคาพระองค์ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อดโทษให้ด้วยพระเจ้าก็ส่งอนุโมทน า, าความคิดของเธอที่ไม่รู้ไม่ฉลาดเล่าก็รู้เท่าไมถึงการเช่นนั้นเวณความคิดที่ไม่ควรจริงแต่ว่ามืเราสำนึกว่าเป็นความคิดความคิดที่ผิด เราก็ตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นความคิดที่ชอบล้วจนออกมาในรูปของการขอบมาเราสั่งว่าเราก็ให้อภัยแก่เธอจากนั้นก็ทรงแสดงถึงการกล่าวการสรรเสริญของพระองค์ ่าสันเสริญบุคคลบางพวกไม่สันเสริญบุคคลบางพวกบุคคลประเภทแรกก็คือคนที่ไม่ศึกษาในสิกขาไม่กล่าวสันเสริญการศึกษาในสิกขาไม่กล่าวชักชวนเชิญชวนบุคคลอื่นให้ศึกษาในเรื่องศึกขา เราก็ไม่กล่าวยกย่องสรรเสริญคนที่ปฏิบัติในสิขารงก็ไม่สรรเสริญคนเหล่านั้นเพราะว่าถ้าไปนสนรเสริญข้าเนี่ยคนอื่นก็จะถือเป็นแนวอย่างเป็นแบบอย่างใน่สงใช้ัำวิทนาโนกติหรือหมายความวาจะยึดถือบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบเพราะเออทำอย่างนี้พระเจ้ า, ราสรัเสริญเราก็เอาอย่างนี้ด้วยในสุสานศาสนากระพัง และในขณะดเดียวกันก็ส่งยกย่องส่งสนเสริญบุคคลสี่ประเภทคือขั้นที่ศึกษาในสิขาแล้วก็กล่าวสนเสริญการศึกษาในาสิขาเชิญชวนจักชวนบุคคลอื่นให้ศึกษาในสิขาแล้วก็ยกย่องสนเสริญท่านที่ศึกษาปฏิบัติในสิขากรณีเป็นเป็นข้อความโดยสรุป ในปังคถาสุดข้อแรกก็คือเรื่องเรื่องจิตสานึกคือท่านจะทั้งหลายจะเห็นว่าการเป็นอะไรของใครก็ตามนะฮะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของจิตสานึกคือรับผิดชอบในสถานภาพของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของใครจะมาคุมใครใครจะมาสั่งใครใครจะโจทย์ใคร แม้แต่พระเจ้าเองก็ทําได้แค่บอกกล่าวชี้แจงให้เท่านั้นแต่ว่าตามปกติแล้วเรามักจะหลงประเด็นในเรื่องเหล่านี้คือเรามักจะสนใจในความชั่วของคนอื่นแทนที่จะสนใจในความดีของคนอื่นแต่พอถึงตัวเองเมื่อกลับสนใจในเรื่องในเรื่องที่ ดีมากดีน้อยไม่รู้นะฮะของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบในเรื่องความชั่วของตัวเองซึมผิดคูณลักษณะลักษณะที่ทรงแสดงไว้ว่าคนผ่านนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นปกติคือลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นคือจึงเป็นปัญหาที่ต้องถามใจตัวเองว่าเราเป็นผ่านหรือเป็นบัณ แต่เป็นผ่านก็แสดงออกให้เห็นว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนโน้นอย่างน้นแต่ว่าแต่คนอื่นคือไม่ได้มีการตรวจสอบตัวตัวเองในเรืก่การแก้ไขป ร, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะหมายความว่าแม้เล็กน้อยก็าตาเนี่ยถือว่าอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเราสำหรับเราซึ่ง เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามมาเนนตานิกในพระพุทธศาสนาเป็นคนอะไรก็แล้วแต่จะคิดคืออัตตสัญญาเนี่ยนึกถึงตัวเองถ้าเป็นพระตันเรียกว่าสมณะสัญญาคือจิตสํานึกของความเป็นพระเป็นสมณะชาวบ้านเราก็สัญญาได้เยอะนะฮะเป็นอุบาสกสัญญาอุบาสิกาสัญญาเป็นมนุษย์สัญญาสํานึกว่าเราเป็นมนุษย์สํานึกว่าเราเป็นคนระบุคนลธิดาวคนรัศรี จำนึกได้เยอะแยะเหมดเอันนี้คือตัวกระตุ้นผิดสำานึกแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะควรแก่ในกรณีเหล่านั้นอย่านที่เคยเล่าถึงพระนางมาริกาเทวีที่จริงมันเป็นความคิดเนี่ยนะครับเความคิดแต่ท่านรู้สึกละอายใจในความคิดทางท่านจิตใจท่านขุนมัวเศร้ามองไปในเรื่องของความคิด เพราะอะไรเพราะว่า ต, ตรงนี้มันเป็นมโนทุจริตเป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้สงบทั้งกายท้งวาจาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจพระธรรมเทศนาที่แสดงซึ่งท่านกัสปโคท่านบอกว่าขัดเกลาจริงเนี่ยก็ว่าขัดเกลานั้นมีสองในยะในยะหนึ่งก็เป็นการแสดงธรรมะลึกซึ้งละเมียดละไม นะรับประนีส ง, งบลงไปโดยลําดับลูกตามไปก็ต้ยิงพูดเรื่องเดียวนะฮะพูดเรื่องเดียวแต่มันลึกตามไปเรื่อยๆมันขัดเกลาได้ลึกรล้วแกอีกแนวหนึ่งก็คือต้องการที่จะฝึกปือแนวขัดเกลาก็ฝึกปือขัดเกลาก็คือเหมือนกับขูดเกลานะเหมนก็อะไรล่ะแล้ววัสตรต่อมาในทรงอุ ป, ปมาเหมือนกับช่างทองช่างทองที่เขาหล่อทองเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีทํำยังไงจะดูไฟ ดูไฟมากไปไหมไฟน้อยไปไห ม, ไหมถ้าไฟน้อยจะทำยังไงถ้าไฟมากจะทำยังไงตรงนี้จะต้องพรมน้าหรือไม่พรมน้ำไม่ได้อะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าบางอย่างเนี่ยถ้าไฟมากเกินไปมันก็ไม่ดีล้วไฟน้อยเกินไปก็ไม่ดีทาให้พรมน้ำเลยก็ไม่ดีแต่ว่าตรงไหนจะต้องพรมน้าตรงไหนจะต้องเพิ่มไฟตรงไหนจะต้องลดไฟ ตรงไหนจะต้องทํายังไงเนี่ยปฏิบัติให้เหมาะตามการตรงซใช้คำว่าปฏิบัติให้เหมาะตามการทีเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องตามการมากกว่ามาในกาละในเทสะในกรณีด้านนั้นเราเป็นคนอย่างเงี้ยเรามีสถานาะอย่างนี้เราทํายังไงที่จะเหมาะสมแก่แก่การเหล่านั้นเพรา ะ, ะนั้นธรรมเทศนาในแนวที่เรียกว่าขัดเราที่จริงมือขัดเราทั้งนั้นแหละ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาพูดถึงศีลมันก็เป็นการขัดเกลาอาการที่ไม่ดีงามทางกายทางวัาจากของเราให้สงบลงไปโดยลำดับก็แน่นอนว่าไม่จะทำพลาดพลาดทำได้มันก็เป็นเรื่องเขาทาไปบ่อยทำต่อเนื่องทำซ้ำซ้ำซากๆโดยไม่ทอดทิ้งเส้นในระหว่างและถึงโอกาสหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จได้ บัตรครัส่งสอนในแนวบางการทดน้ำเข้านาแต่เราจะเห็นว่ามันก็ทดไปเรื่อยๆอ่ะอย่างสมัยโบราณเนี่ยมันก็ช้ากันในสมัยนี้เยะแต่ในสุดเขาก็มีน้ําเข้าไปอยู่ในนาเพียงแต่ว่าไม่ได้าทาเป็นชั่วประเดี๋ยวประเดาแต่ทําต่อเนื่องกันไปหรือว่าการดัดสอนของช่างศอนการถากไม้ของช่างไม้การดีเหล็กของช่างเหล็กการทํางานต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสุประสบความสําเร็จบางครั้งที่ส่งอุ ป, ปมาเหมือนการฝนทั่งให้เป็นเข็มกับใครไม่คงไปนั่งทําอย่างนั้นอย่หลอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เห็นว่าความเปลี่ยนพยายามความเพี ย, พยายามที่ต่อเนื่องเป้าหมายมันอยู่ไกลทั่งมันแท่งมันใหญ่แต่ฝนมันนิดเดียวไอ้เข็มมันนิดเดียวจะทํายังไงจะเอาเหล็กทั้งแท่งเนี่ยให้เป็นเข็มขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องอาศัยความพยายาม ตาเทศนาในแนวนี้พึงสังเกตว่าอย่างที่เคยบอกท่านหลายฟังเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอะในศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์่นั้นเองที่ทรงใช้คําสั้นๆว่าอัตตาอัตนายาคือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องในต้นคำคำสั้นๆตรงนี้มีเยอะอาหารการมมังการใช่ไห ม, ะ ม, ะมะาอาหารการก็คือตัวเรามะมังการกคือของเราก็จบแล้วไม่ได้มีอะไรฮะมีอะไรอ่ะตอนตัวมาตฐานของศีลห้านี่ มาถามว่าสีนหน้าที่ทรงวางไว้เนี่ยเราลองสังเกตกันในเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตระดับศีลก็ถามาศีลใครพูดถึงศีลเนี่ยถามมาศีลใครชีวิตนี่แหละแต่ถามมาศีลใครแต่รหรับศีลหก็อย่ากฆ่าชีวิตแล้วกันเอาอยากฆ่าชีวิตก่อนอยากทำลายชีวิตแล้วกันแต่ในศีลห้านั่นแหละพอเมื่อเรารักษาแล้วเนี่ยมันไม่ได้สอนเฉพาะตรงนี้แต่สอนขัดกลาวขึ้นไปเรื่อยๆ อา้าวไม่ฆ่าก็ดีแล้วนะแต่ว่าเบียดเบียนเนีเขาเดือดร้อนเหมือนกันนะนะอย่าเบียดเบียนนะอย่าเบียดเบียนครับไม่เบียดเบียนหรอกอย่าทรมานเขานะะอย่าทรกา ร, รมเขนะเช่นเอาสัตว์มาขังไว้มาล่ำไว้มาปลูกไว้นำมาขังไว้ต้องการเล่นต้องการดูแต่มันทรกา ร, รมสัตว์ถ้าเขาจับเ ร, ราไปขังไว้เลี้ยงดูนั้นจะทําทำยังไงเราก็ไม่ชอบเห็นไหมอันนี้ก็คือขัดเราไปเรื่อย que. แต่เราจิตใจของเราไปเรื่อยประณีตไปเรื่อยมีเหตุมีผลไม่ได้คิดกลับมาได้เรื่อยๆ เ, เอาแหละถ้าเอาสัตว์ไปขังไว้ดูแล้วก็สนุกแสดงว่าเราเมตตาสัตว์อีกที่ติด่างว่าใครเมตตาเราจะโปรไปขังไว้ดูแล้วเราจะเอาหรือเปล่าเห็นไหมเราจะคิดประณีตกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือศีลที่จริงมันอยู่ในศีลหแต่ว่าท่านไม่สอนหรอกตอนแรกทำไม่พูดไปพูดประหลักพอามาพูดหมดปเดี๋ยวโยมขยาดม่ยอมรับศีลเลย กพอพูดเทียนนิดเทียนนิพดพอูไปเรื่อยก็ขัดเกล้าไปเรื่อยเอากันกันเทียนเล็กๆน้อยทีนี้พอศีลตรงเนี้นะพอขึ้นไปอย่างพอเป็นศีลเครียดศีลพุทธมัจรย์ศีลพวกพระพวกภิกษุณีพวกสามเณรพวกภิกษุภิกษุณีสามเณรนะเนี่ยนะเ น, เ น, เน้นสําเร็จวีนี่ศีลก็ปานานี่แหละแยกเลยทีเนี้ฆ่ามนุษย์ให้ตายเนี่ยขาดจากพระขาดจากภิกษุณีได้ถ้า ทำให้เกิดบาดเจ็บนี่ปรับอาบัต ท, ทุนนัดใจเกียรตนาค่ายตายแต่ไม่ถึงตายนในปรับทุนนัดใจทีนี้ถ้าทําให้อะไรพอตีอะไรแต่ไรเนี่ยนะก็ปรับอาบัติทุกข์แต่ทีนี้เอาอีกอะถ้าพระเนี่ยทาขนาดนั้นไม่ได้ตีก็ยังไม่ได้เงื้อมือจะตียังไม่ได้เลยพระนี่เงื้อมือจะตียังไม่ได้เลยนะปรับอาบาัตปาจิตตีถ้าตีพระถูกกันเงื้อมือจะตีไม่ได้เห็นนะแล้วเอา จี้ซาเอลเวเย่ให้จักรกี้เนี่ยไม่ได้หลอกให้กลัวผีก็ไม่ได้น้ำปลาปลบัตหมดเลยครบาบัตหมันนี้ก็คือก็คือจริงก็คือขัดกลาจิตแต่มันประนีตขึ้นประนีตขึ้นประนีตขึ้นจนไม่มีปัจตุสจิตหมายความแม้คิดปัจตุสายเนี่ยนะมองด้วยความอาฆาตมาร้ายถ้ามองพระเนี่ยท่านปรับปฏิจิตติมองด้วยความอาฆาตมาร้ายถ้ามองโยมปรับทุกข์มองด้วยความอาฆาตมาไยแต่กับโยมก็ไม่พูดหรอก ก็ไม่มันไม่ใช่ศีลโยมันศีพลพระแต่อย่าลืมาตรงนี้คือประทุสรายร่างกายทั้งหมดประทุษรายร่างกายทั้งนั้นเลยฆ่าอมนุษย์ปราบผีก็ไม่ได้นะพระจริงๆนะปราบผีไม่ได้ปราบวัตถุในใจนะปราบผีไม่ได้จับผีขังอะไรจับแม่นาคใส่ใส่หม้ออะไรแต่ไรเนี่ยไม่ได้นะอันนี้จริงๆไม่ได้นะฮะผิดศีลทั้งนั้นแหละศีลมันประหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ประนีตยังไงสมมุติอถินาทานนะมาพระเนี่นะพระอธินาทางนะโอ้ว่าจะละเอียดสมมุติว่าโยม น, าา น, นิมนต์อาตมานคนเดียวนะนิมนต์อาตมานคนเดียวแล้วมาเอาเพื่อนไปด้วยเนะี่ยแล้วไปฉันข้าวบ้านโยมเนี่ยไม่ได้นะผิดวินัยเขานิมนต์คุณองค์เดียวออกไปได้ยังไงเปลืองข้อสิ้นเปลืองอาหารไปเท่าไหร่หรู้ไหมเห็นนะมฮะไปเบียดเบียนนั่นประณีตมากๆเลยขัดเกลากันแต่ปกติเขาไม่พูดเขาไม่สอนกัน จะมาพูดมาสอนการเมื่ออยู่ในกลุ่มพวกที่ต้องปฏิบัติตรงนี้จะต้องปฏิบัติตรงเนี้ยสมมติว่าในหมู่พระเราก็สอนฮะเราก็สอนเราก็มาวาทั้งหมดนะแต่ว่าเราไม่พูดกับชาวบา้านเราไปพูดกับชาวบา้านเพราะว่าไม่ใช่ศีลชาวบา้านเดินศีลที่พระจะต้องปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมันประนีตขึ้นไปคือขัดเราให้ประนีตขึ้นไปจนถึงมันคุมถึงจิตคุมถึงจิตอย่างที่บอกว่าแนวลึก แนวลึกของการรักษาเนี่ยคือขัดเราไปเรื่อยๆจนจนประณีตจนจนเรียกว่ามันมีวินัยในตัวเองอะ่ะเป็นอัตโนมัติเรียกว่าเป็นอัตโนมัติด้วยตัวของของเขาเองเรียกว่ารักษาศีลโดยไม่ต้องรักษาคือคุมอยู่ที่จิตอย่างเดียวปจบแล้วย่างอื่นไม่ต้องไปยุกต์มันวินิจฉัยตัดสินได้ทันทีเลยเดินเดินไปถึงนะไปถึงโรงทุราลบทันทีไม่เข้า ลบเองเลยนะไอ้นี่ที่ข้าไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้เดินเดินไปถึงโรงหนังเอานี่ข้าวไม่ได้เรารู้ก็หรอกมันเป็นอัตโนมัติมันมั น, ม, นมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติต้องบอกต้องชี้ต้องสั่งอะไรนั่นคือแนวการขัดเกลาในแนวชีลึกอย่างเธอยกตัวอย่างสมมุติว่าเนี่ยเอาศินสินข้อการเมก็ได้นะสินข้อการเมเนี่ยอทินนาคือได้อทินนา อาชินนาเนี่เราไม่รักไม่ใช้คนอื่นรักไอ้ตัวนี้ผิดศีล น, น, นะฮะผิดผิดศีลตั้งสองข้ อ, อ, อไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่รักใครก็ตามที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาในทางที่ไม่ชอบธรรมไม่ยกย่องสนรเสริญไม่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ด่าว่าเขานะฮะด่าว่าไม่ได้เป็นบาปหมายความว่าอะไรคือเขาอาชินนาทานเราก็มุสาวา ตรงนี้คนหลงประเด็นคนหลงประเด็นมากๆนะโดยลืมไปว่าที่เราด่าคนอื่นผิดศีลที่จริงเราก็คือผิดศีลแต่เราไม่ได้คิดเราเราไปเนี้ยกําลังผิดศีลอยู่ด้วยนะฮนะเมื่อคือนในฝั่งวิทยุก็าด่าพระที่กําลังดังอยู่เนี่ยนะโอ้อัตามาว่าชาวพูทธเราเนี่ยอาการหนักถ้าเป็นพุทธอย่างนี้อาการหนักเลยจะต้องสอนสาศาสนากันอีกเยอะนะฮะสอนสาศาสนากันอีกเยอะเลย เรานึกดูว่าพระเทวทัตท่านชั่วร้ายขนาดไหนฮะชาวบ้านกราบพูนผู้เจ้าครั้งเดียวเลิกแล้วท่านไม่ไปตามเทียวไล่เชียวคืออยู่คมครูพระเทวทัานไม่ต้องมายุ่งท่า น, นท่านทําบาปคนเดียวก็ปล่อยท่านไปเรื่องอะไรเราทําบาป ด, ด้วยตัวตุเรคนหนึ่งผิดศีลขอ้ขอข้อกรมเอนะฮะเราอาพรามเนี่ยแต่ที่เราด่าก็ปังปังปังเนี่ยนั่นคือเราผิดศีลข้อมูสานะฮะ ผิดศีลคนละข้อกันเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรแล้วถามว่าเขาชั่วไหมเขาชั่วถามมาเราล่ะเราก็ชั่วเพราะเราผิดศีลเหมือนกันแล้วผิดศีลเหมือนกันเพราะลักษณะาการชั่วเนี่ยเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงแสดงคนผ่านเหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งร่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอกระมา น, นี่ก็คือผ่านคนหนึ่งเพื่อนขอกมาแล้วไม่ให้อาภัยก็คือผ่านเห็นไหมผ่านกับผ่านนะครบผ่านกับผ่านด้วยกัน ทีนี้ถ้าคนดีอย่างนี้อย่างพระกัสสปเนร่วงเกิดเดี๋ยวขอเข้ามาพระพุทธเจ้าคนดีขเข้ามาก็อภัยนั่นคือคนดีเราไม่ใช่ทาอย่างเดียวกันวิธีแก้ปัญหานั้นไม่ใช่อปัสสาวะไปล้างอุจจาระมันล้างไม่ได้มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาต้องเอาสิ่งตรงกันข้ามกับจริงเหล่านั้นไปล้างจริงสกปรตกุศลไปล้างอกนะุศล เอาว่ากูสนล่างกูสนได้เปล่าเอาโกรธก็โกรดล่างกันได้ไหมคนหนึ่งก็โกรธคนหนึ่งก็โกรดเอามาแก้กันก็ต่อยกันพังอตายพะดีเลยมันไม่ได้โลภก็โลภเนี่ยแก้กันไม่ได้มันแก้กันไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยมาล้างเพราะงั้นแนวของการขัดเราเราจะเห็นว่าเนี่ยเอาคนใช้ไม่รักเองไม่ใช่คนอื่นรักแล้วก็ไม่ยกย่องสรรเสริญผู้รัก นั้นแสดงว่าถ้าเรายักยอกยกย่องสรรเสริญ น, นั้นใจเราเป็นมโนทุจริตว่าเจ้ามันก็เป็นทุจริตคนหนึ่งเป็นอธินาทานเราก็เป็นมุสาวาตเราก็เป็นมุสาวาตไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ทุจริตไม่ว่าของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมีราคาข้างวดอย่างไงก็ตามแต่มันไม่สุจริตเราไม่เอาเราไม่ยินดีไม่ยินดีนะอันนี้เข้าถึงใจเลยเห็นไหมเราแก้ เราแก้ที่ปากเราได้แก้ที่ปากสองสองอย่างคือว่ายกย่องอใช้ข อ, อื่นรักอันนี้ผิดศีล ย, ยกย่องสนรเสริญผู้รักเราไม่ผิดศีลเราจะผิดธรรมผิดธรรมเพราะเราไม่ได้ใช้นะฮะแต่ประการแรกทจ่ยิ่งผิดศีลเราไม่ได้รักแต่เราใช้คนอื่นรักหรือสนับสนุนให้มีการรักเราก็ผิดศีลถึงจุดหนึ่งเราก็ผิดธรรมแต่เราหยุดได้ แล้วก็สงบมาถึงใจแม้ของที่ได้มาแล้วก็มีราคาแค่เ ง, งว่ที่จริงก็ค่อนข้างจะถ้าถายจิตใจนะฮะมันกระตุ้นกระตุ้นโลภะภายในใจแต่เราสงบใจลงไว้ได้ก็แสดงว่าพื้นฐานอัตยศาสัยของเราก็ประณีตขึ้นเพราะอันคือแนวของการขัดเกลาขัดเกลาเพื่ออะไรเพื่อให้มันก็มีสามคำนั่นเองนะฮะพอพอโผสันตะกายโยสันตะวัจโยสันตะมโนมีสามคำน่นนั้นเองคือสงบ กายสงบว่าจาสงบใจสงบแต่ไม่ใจสงบนิ่งๆ น, นะสงบจากบาปหมายความว่า ก, การกระทาการพูดความคิดเนี่ยไม่มีบาปก็คือสงบจากบาปพระเจ้าก็แสดงธรรมะขัดเกาาในแนวทั้งทั้งละเมิดละไม่ด้วยแล้ก็ขัดเกว่าด้วยคือทั้งสองความหมายนะนะปริยายธรรมะทั้งหมดให้เราเราสังเกตก็ว่าไปแล้วก็ม้วนบนมันจะอยู่ที่กาย เห็นไหมว่าตัวอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าต้นก็สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องเลยเปิดเห็นไหมแนวสติปัญญานี่เราเอียดในกายก็คือกายเรากายานุปัสสนาก็คือกายเราเวทนานุปัสสนาเวทนาที่เกิดแก่เราจิตานุปัสสนาก็จิตเราธรรมานุปัสสนามีทั้งในทั้งนอกนะแต่ว่าจริงๆริเราเรียนที่เราก่อนเห็นไหมดูกายที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกดูกายทั้งที่เป็นภายในกายที่เป็นภายนอกเวทนาทั้งภายในภายนอกมันก็ไม่มีอะไร ก็คือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องในตนเท่านั้นเองนะแล้วตรงนี้ถ้าผิดศีลก็คืออทินปาณาอาธินนากาเมมุสานั่นเองสุรานี่สุรานี่คือกลับไปกระทบสามบทที่จึงสามข้อนะฮะไม่ไม่ไม่จะสีข้อหรอกมุสานั้นไปกระทบตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนื่องในตนเห็นไหมไปกระทบชีวิตไปกระทบทราบกระทบคู่ครองสุราไปกระทบตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่งขึ้นไปกระทบสามข้อข้างบน ว่าตรงนี้อารมณ์กับทานมันก็มีแค่นี้นิพพานมันก็มีแค่เนี้นิพพานก็มีอยู่ที่รู้แจ้งตรงนี้แล้วก็ถ่ายถอนตัณหาลดถ่ายถอนอะไถ่ายถอนตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนถ่ายถอนอัตตาอัตญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยด้วยตนออกไปก็คือไม่มีตัวตนไม่มีทั้งตนไม่มีสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องตนก็เป็นนิพพานก็เรียนอยู่ตรงเนี้ยว่า่อยว่ามานี่จริงเอามาพูดมาตรงนี้ยี่สิบปีแล้ว เกืยี่สิปีแล้วก็ไหวตอนนี้นะฮะมันไม่ได้ไปไหนนะฮะมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ตรงนั้นน่ะที่สอนน้กหมดแปดหมื่นที่ผ่านพระ้าก็สอนอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นธรรมะจึงเป็นสันเหลกครับทีนีก้การนึกอย่างนี้เราดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะนั่นนะนะมันคล้ายๆจะคล้ายๆจะสรรเสริญแต่ว่าจริงๆมันค่อนข้างจะรําคาญท่านรู้เองไหมท่ามันรำคาญจูจี้จุกจิกจริงๆฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะนะคล้ายๆคิดอย่างนั้น แ, แต่ว่าเต่วพูดคิดนิ่มนิ่มว่าสมณะนี้ช่างขัดเกลาจริงนะช่างขัดเกลาจริงนะมันมันไม่ลักษณะฟักขนาบเสียงแล้วเนี่ยถ้าพูดมันมันค่อนข้างค่อนข้างประชดนิดนิดนะค่อนข้างประชดนิดนิดค่อนข้างประชดนิดนิดมันเป็นความรู้สึกผิดในฐานะที่ตัวเองเป็นสาวกนี่มันผิดมันคิดกษัตริยดาอย่างนี้ผิดมากแต่คนต้องประณีดมากนะแต่ท่านก็จริงจริงก็คิดชาเยอะเลย กิจชาจะรอพระพุทธเจ้าสเสด็จไปถึงกรุงราชครืดไปแล้วก็เพิ่งนึกออกนะคิจชามากเหมือนกันน่นะก็ความสำนึกผิดเนี่ยแล้วปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่ดีงามเราจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดในาศาสดามันเกิดขึ้นจากเร า, เราทำผิดกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครทำสมบูรณ์หรอกแต่ปัญหาว่าผิดแล้วสำนึกว่ามันผิด ในกรณีที่เกี่ยวข้องคนอื่นล่วงเกินคนอื่นเราก็ขอขามาเขาจะเป็นเด็กจะเป็นเล็กจะเป็นอะไรก็ตานะถ้าผิดเราก็คือผิดมันไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วไม่ผิดเด็กแต่นั้นผิดผู้ใหญ่ผิดก็ต้องผิดคือต้องขอขามาได้อย่างที่เคยเล่าฟังว่าพระสารีบุตรถูกพระฟ้องถูกพระฟ้อ ง, องมาพุทธเจ้าว่าพสะส ภาษาดิบุตรก็ค่ากะเตะท่านอะไรนี่นะพูดพูดทำนองนั้นนะ่ยนะฮะประกฏภาษาดิบุตรท่านจะเดินทางไกลแล้วพระไปล้อมสง่งมันนี้พระเยอะนะฮะลาไม่ไหมลาไม่หมดนะฮะก็ลารวมๆไปที่นี้ท่านก็ต้องการจะให้ได้คุยกับภาษาดิบุตรมันมันก็โก้เดียตัดบุตรไปคุยด้วยไปฟ้องพระพุทธเจ้าภาษาดิบุตรท่านขอเข้ามา ขอมาว่าถ้านรุ่งเกินก็ขอเข้ามาปรากฏ ว, ว่าไม่มีอะไรชายจีวรไปกระทบชายจีวรท่านหน่อชายจีวรมันสารพูดไปกระทบชายจีวรก็ไม่รู้ขนาดชายจีวรกระทบเป็นนะหาวะเตะเลยโอ้มันจะหลุดเดือด น, น, น, นะนั่นใช่เล่นนะนะนั้นคือคนอยากดังแต่ว่าแทนที่จะไปต่อล้อต่อเสียงยอะไรอ้าวท่าน ถ, ถือเป็นการรุ่งเกินก็ขอกข้ามาเพราะการรุ่งเกินเนี่ยเราจึงจิตจิตสํานึกที่ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยิน ที่บาลีเรใช้ควา่าดิเทนวาสุเตนวาบริสันไกจวาวะได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีรังเกียจสงสัยก็ดีทั้งหมดนี่นะถ้าเป็นโทษเรื่องเกิดเราก็ขอคำาับแล้วถ้าเราเห็นว่าเป็นความผิดก็ให้เตือนได้มันไม่ใช่เตือนเพราะเห็นเพราะได้ยินแต่แม่เพราะรังเกียจเพราะมมันจะทำไมคุณไปตรงนั้นทาไมคุณอยู่ตรงนั้นทำไมเราก็เรียกมาเตือนได้ล้วบอก ตักเตือนแต่เขาจะฟังหรือไม่ฟังมป็นเรื่องของเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าเรามีหน้าที่ตักเตือนได้โดยเจตนาดีมุ่งดีปราตนาดีแต่ไม่จะทําด้วยความโกรธนะทำโด้วยความโกรธไม่ได้เราแก้ปัญหาอย่าไปแก้ด้วยกิเลสมันเหมือนกับโกรธลูกเลยอย่าอย่าตีลูกตรงนั้นต้องให้หายโกรธก่อนจะตีก็ตีถ้าตีก็โกรธแล้วเนี่ยมันมันแสดงว่าไม่ได้แก้ปัญหา ที่เราเองกลับเป็นคนได้มีปัญหาเสียเองหยุดทำใจแส่ก่อนามานั่งคุยกันดีๆแล้วก็ให้ลูกวินิจฉัยตัวเองนะฮะควรจะลงโทษอย่างไรก็ไม่จำเป็นต้องตีให้เหนื่อยหรอกให้กไปทำอะไรก็ได้ไม่ถูพื้นกวาดขยะอะไรขาดท้องน้ำไม่ว่าทีเรๆเลยลงโทษให้เกิดจิตสำนึกคือหมายความว่าใช้เหตุผลใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้โทสะหรือใช้อารมณ์เข้าไปแก้ ในตรงนี้เราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเกิดเกิดจากความคิดภายในใจแต่ว่ามองเห็นความผิดเป็นความผิดสำนวนนะฮะมามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษอันนี้ก็คือโทษมันเป็นมโนทุจริตที่คิดอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมาะคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เหมาะอย่างอย่างเนี้ยอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระมหาการยานะว่าทาไมท่านอ้วนคลองพุยประกสังฆายนะฮะสังฆายอันนี้ก็คือความคิดเป็นเรื่องความคิดแต่นั้นเอง มีโสระยะเศรษฐีบุตรท่านออกไปนอกเมืองไปเจอกับพระหมากระจ่ามลมากพระหมากระจายนะเนี่ยเขาหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเมื่อก่อนเนี่ยคือรูปร่างน้ำใครพระพุทธเจ้ามีสององค์ในใครพระพุทธเจ้าพระหมากระจานะกับพระนนท์น้องชายนะกับพระหมากระจายน้เ น, น, น, น, น, นี่ยคนหลงพระพุทธเจ้า่อดแต่ที่ต่อมาเนี่ยโสระยะพอเห็นเห็นพระหมากระจ่านะเข้ามาพระเถระรูปนี้เนี่ย มันน่าเมียเรามันน่าจะสวยอย่างงี้เมียเรามันน่าจะสวยอย่างนี้คิดจาพระเป็นเมียมานันใจคอมันเหลือเกินจริงเพศมันกลับเป็นผู้หญิงไปเลยเพศมันกลับเป็นผู้หญิงมันตกใจมันดูตายแล้วตัวเองมันผู้หญิงแล้วก็หนีอาศัยเกวียนพอฆ้าเกวียนไปอยู่เมืองตากศิลานัเนน่ะท่านอยู่ที <started this>. ่ส nah hum ุริยะนะฮะหนีไปอยู่ตากศิลาแล้วมันแปลกคลอดลูกเหมือนกัน ไม่ใช่พวกแปลงเพศนะฮะมันเกิดโดยวิบากกรรมมีตกลงมาตอนแกนเป็นผู้ชายนี่มีลูกสองคนเป็นผู้หญิงนี่มีลูกสองคนแล้วก็เพื่อนไปเจอครับจําจได้ไม่ใช่จําได้คือแกจําเพื่อนได้มล้วมาเล่า่าเพื่อนก็ตกใจน้ำมันขอเข้าขขมาประมาณกระจนะประมาณอาจารย์หน้าก็เอาใภ้โทษให้เพศก็กลบับเพ่ก็กลับแล้วท่านก็สลดใจอ่ะตัวเองเกิดมาชาติัตเ ง, เาาตตเงเป็นผู้ชายก็ เป็นวุชายกึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงกึ่งหนึ่งก็สลดใจขอบวชก็บวกก็เป็นพระนะฮะเป็นพระระดับอสิติมาสาวกนะฮะเพราะประสังกระจายที่ท่านเห็นว่าโอมันมันไปสร้างบาปไปคนเยอะอะไรคือคนคิดฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะเลยในที่สุดท่านก็นิรมิต ร, ร่างกายอ้วนท้องพุยอย่ี่เห็นเนี่ย น, นะฮะเลยกลายเป็นพระดังไปเลยพระดังไปสังเกตด่านังที่จริงแล้ ว, นะลวนะมันเกิดจากเรื่องตัวเนี้ยนะเห็นไหมความคิด เป็นมโนทุจริตมันคิดไม่ชอบคิดไม่ชอบต่อพระอรหันต์เมื่อกับอกาศสปะโคตรต้องคิดไม่ชอบต่อพระเจ้าเพราะนั่นก็มาขอขมาเขก็มาเราจะเห็นว่าโทษตัวนี้ขอขอขมาเนีเป็นสูตรเพราะไม่รู้นะเพราะเขาะเพราะโง่เพราะหลงเพราะเขาเพราะโง่เพราะหลงการกระทําอย่างนี้ถือว่าอะไรล่ะถ้าปัจจุบันเรารู้ถ้าเหมือถึงกัน ปัจจุบันรู้เท่าไปถึงการหรือทําโดยความประมาทรู้ท่าไม่ถึงกา ร, รทําโดยความประม า, า, ไมาทามมาไม่ได้จงใจไม่ได้พูดด้วยความอาคตาิร้ายนะไม่ได้พูดด้วยความอาคตาิร้ายหรือว่าต้องการโดยความโลภแต่ว่าเพราะไม่รู้นะเพราะไม่ฉลาดเพราะเขาก็ถือว่าเป็นโทษที่ล่วงเกิดแล้วสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งทบทวนนะฮะว่าเป็นความคิดที่ชอบ ที่ว่าเธอสานึกว่าแม้แต่ความคิดถึงเกิดขึ้นจากความโง่ความไม่ฉลาดความเผาลราลก็ตั้งใจจะแก้ขอขามาพระองค์ก็ให้ครับให้อภัยแล้วก็ยกย่องบัณฑิตอย่างที่ว่าเม ก, กี้นี้นะว่าคือคนที่ร่วงเกินคนอื่นแล้วจะด้วยกายก็ตามในวยวาจาก็ตามด้วยใจก็ตามเนี่ยแล้วก็ตั้งใจขอขามาแล้วเมื่อเขาขอขามาแล้วก็ให้อภัย ก็จบเรื่องก็จบแค่นั้นเป็นพวกนียกรรมประเภทที่เรียกว่าอโหสิกรรมอาโหสิกรรมอย่างนี้คือหมายความว่ากรรมที่ไม่ใช่เป็นการผิดต่อสาธานะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปตีหัวก็แล้วขออภัยนะไอันนั้นมันผิดกฎหมายอาญาคือการล่วงเกินเป็นการส่วนตัวบางอย่างขออภัยกันได้แล้วเป็นอาโหสิได้อโหสิมันจึงมีหลายเรื่องอโหสิในกรณีนี้นะอาโหสิในกรณีกรรมมันให้ผลแล้ว โหสิในกรณีที่กรรมมันตามไม่ทันหมายความว่าท่านเหล่านั้นบรรลุมาผลเป็นบระหานประชากรกรรมมันตามไม่ทันมันก็กลายเป็นโหสิเหมือนกันจากนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงการยกย่องหรือการตำหนิคนตรงนี้กําหนดไว้ท่านทั้งหลายใจห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ประลกเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ประลกกันมาคือหมายความว่าคนที่ปฏิบัติตามศีกขา คนที่ไม่ปฏิบัติตาสิกขาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะฮะศีล ส, สมาธิปัญญานั้นก็ถือว่าจบแล้วจบสูตรของการศึกษาทั้งหมดนอกนั้นจะเป็นผลเป็นผลเช่นว่าวิมุตติวิมุตติญาณันานะมันเป็นผลเฉยๆมันไม่มีอะไรตัวเหตุจริงๆศีล ส, สมาธิปัญญาก็เหมือนศีล ส, สมาธิปัญญาก็คืออริยมรรต์นะฮะเราจะเห็นว่าพูดในแนวภาวนานี่พูดแค่สามคำนี่ก็พอแล้วพูดแค่สามคำเนี่ก็พอแล้ว และกิเลสเนี่ยมันก็มีโรคกดลงศีลนี่มันแก้โลคเป็นหลักนะสมาธินี่ยแก้โกรธเป็นหลักปัญญาเนี่แก้หลงเป็นหลักหลงก็คืออวิชาวิชาคือมืดปัญญาคือสวา่างใช่ไหมมันก็แก้กันอยู่แก้กันอยู่ในในตัวของมันนะฮะโดยธรรมชาติของมันไม่มีลักษณะร่วมของศีลสมาธิปัญญากับโรคกดลง หมายคามังไงหมายความว่าถ้าเรามีศีลอยู่เนี่ยความโลภขนาดล่วงเกินสิทธิทางทรัพย์สินของบุคคลอื่นชีวิตบุคคลอื่นคุครองบุคอื่นจะไม่เกิดแล้วเข้ามาถึงใจอย่างที่ว่าเห็นไหมฮะที่จริงเรื่องเดียวกันทั้งหมดคือเข้ามาถึงใจอยเข้ามาถึงใจมันก็เป็นสมาธิดะเห็นไหมพอเข้ า, าถึงใจว่าใจเกิดไม่ยินดีเนี่ยเห็นไหมไม่ยินดีในทรัพย์สินของคนอื่นก็แสดงว่าอะมันก็สงบคือเป็นกามฉันท์สงบนิวรณ์นะสงบนิวรณ์ข้อกามฉันท์ แม้แต่ความคิดด้ยวยความโกรธก็ไม่มีก็คือสงบนิวรณ์คือพยาบาทเด่นนะฮะสงบนิวรณ์คือพยาบาทต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาเป็นการปนิบัติที่ต่อกันมาเพียงแต่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ระดับศีลซึ่งก็หมายความว่าระดับคิดเนี่ยสมบัตชาวบ้านไม่ผิดศีลนะสมบัต พ, พระเอานะสมบ พ, พระปราบทุกกฎหมดเลยปราบทุกกฎหมดเลยถ้าคิดด้วยอํานาจของราคะโดยอํานาจของโลภะโดยอํานาจของโทสะ แต่ถ้าโลภะแล้วต้องจับก่อนนะะคือว่าคิดคิดเฉยๆนี่ไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องอาบัตรทุกกดสมมุติว่าอยากได้เนี่ยเราไปแตะนิดเดียวตนเองนะแตะด้วยความอยากได้เนี่ยด้วยความอยากได้ปรับทุกกดแล้วนะปลาในปรับแล้วปรับแล้วเนี่ยแต่โยมเ้ายังไม่ปรับนะฮะโยมยังไม่ปรับทีนี้สมมุติเราพระคิดจะลักเนี่ยนะของของวางไว้อย่างเงี้ยของวางไว้อย่างเงี้ยยกขยับนิดเดียวนี่ปรับทุปรับทุนใจัะ ขยับนิดหนึ่งนะฮะปรับตัว ใ, ใจพอยกเคลื่อนก็นมาตรงนี้ยังไม่ทันเอามาเลยนะแต่มันมันขยับมาและปรับไปรัดจิกเนะ น, น, นี่ยเพราะฉนของพระเนี่ยนะศีลของพระที่ยิงศีลอยกเหมือนกันนะี่ยนะมันกำลังหลงประเด็นหลงประเด็นก็พยานจะอธิบายให้ให้ให้คนก็เกิดเข้าใจระหว่างศีลนะกับกฎหมายแต่ก็เฉียงกันเรื่องอะไรกฎนิยกรรมนะเกิรมเนี่ยนะราจะเห็นว่าศีลกับกฎหมายเนะี่ยมันก็นลาเรื่องเลยนะะ ศีนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายศีลเนี่ยสมมติว่าเราจับไฟฟ๊อปนี่เราร้อนเราร้อนแล้วผิดศีลแล้วใครรู้เรารู้มันไม่ศีลไม่จะอยู่ที่ใครไปโจดใครไปบอกคุณผิดไม่ต้องไม่ต้องบอกเสร็จไปตั้งนานแล้วผิดไปตั้งนานแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพระล่วงละเมิดศีลขนาดปรราชิกก็ประราชิกในขนาดนั้นแล้วใครจะโจดหรือไม่โจดก็เธอก็คือประราชิก เธอก็ไม่เจ็พระผมจีวรวางมาศยังไงก็ตามก็ไม่ใช่พระทนะั้งนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องกรรมของเธอที่ต้องรับผิดชอบเองเราไม่มีหน้าที่ไม่ใช่เธอประราชิบฆ่าทิ้งนั่นเลยเราก็ปานาธิบาตเห็นไหมเราก็ปานาธิบาตล้วก็ฆ่าคนมันมันทำอะไรก็ไม่ได้เลยเขาประราชิกเราไปตีหัวเขาเราก็เป็นกรนรมอนุสรณ์ร่างกายนะเป็นอวหารของศีลข้อปานาิบาต ไปด่าเขาเราก็ผู้สาวานเหมือนกันนะฮะดา่าก็ว่าจีทุจดิตเหมือนกันนะนะองค์เนี่ยพระเนี่ยพระกรนี่ประหาดชิบแต่เราไปดา่าเราก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งอ่ผิดผิดศีลก็ข้ อ, อที่สี่ประทุษร้ายร่างกายเขาเราก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมคือชีวิตเหมือนกันแต่มันบาจะเฉพาะตัว่ะสีนี่นบรรดาจะเฉพาะตัวเหมือนกับเราถูกไฟเมื่อเราร้อนเฉพาะตัวคุณไม่ต้องบอกว่าร้อนแล้วคุณก็ต้องเดือดร้อนเพราะคุณร้อนคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะคุณร้อ น, ค, อออ น, อ ค, อนคุณร้อนก็คุณ อันนี้คือต้องแยกให้ออกต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องสีในชัดแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องรับผิดชอบตรงั้นแนวของพระถ้าในหมู่พระจริงๆนะเรื่องของพระวินัยจริงๆในชาวบ้านไม่รู้คือพระนี่เขาห้ามโจทย์โจทย์อาบัติชั่วหยาบของพระอื่นนี่โจทย์กันในโบสถ์กันได้นะต้องปิดประตูโบสถแล้วรู้กันในหมู่พระเนะี่ย เป็นการมุ่งตักเตือนให้สติในฐานะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่ใช่มุ่งกำจัดมุ่งทำลายเขานะฮะเราไม่มีหน้าที่ทำลายคนนะฮะแล้วมีหน้าที่ทำลายกดทาลายเราก็ผิดศีลไม่มีหน้าที่กำจัดทำลายร่างกายแต่เรามีหน้าที่ที่จาน้ำสะอาดเนี่ยให้เขานะเพื่อชำระละ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแนวศีลธรรมดาเนี่ยศิ น, น, น, น, นอบบัต อบัตอับบัตมันมีเจ็ดเกตกองนะห้ากองแรกเนี่ยท่านจะแสดงกันถ้าแดงนี่เห็นได้ชัดเลยว่าม่นเกิดจะกิตสำนึกตัวเองไปถึงก็บอกว่าผมต้องอับบัตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอีกองหนึงก็ถามมาท่านท่านเห็นมันเป็นอับบัตหรือเปล่าเป็นความผิดหรือเปล่าบอกครับผมเห็นว่าเป็นความผิดอีกองคหนึ่งบอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสํารวมระวังต่อไปก็แล้วกันอ่าบอกครับครับครับนะครับครับตั้งสาครั้งไงแล้วตั้งใจสํารวมระวังต่อไปอ้าวบอกอีกวันพระเจออีกแล้ สี่ข้อเดิมอีกแลก้วปรากฏว่าอย่า ง, ต, งต้องก็ต้องไม่เป็นไรนะตั้งเจตํารวจวางหกล้มหกลุกน่ะหกล้มหกลุกโยมรักษาสีหน้าข้อเนี่ยลองดูเจ็ดวันนี่เหลือกี่ข้อนะพลาศีสองร้เจ็ดมันก็ต้องกันบ้างก็พระก็คือคนนี่ยคือคนน่ยแต่ว่าถ้ายังอยู่ในกร อ, รอบตรงนี้แก้ไขได้กันเรื่อยๆกาหนดตายตัวไว้เพียงสี่ข้อแต่นั่นเองคือประจุสี่ข้อแต่สี่ข้อนั้นเราจะสังเกตว่า สี่ข้อก็คือการเสดเมถุนนะพระเอาเสดเมถุนเหมือนกับสีลพรมศีลแปดอะศีลเดียวกันศีลเดียวกันโยมขาดศีลแโยมต่อได้พระต่อไม่ได้แต่นั้นเองเน้นต่อได้นะฮะเน้นต่อได้เน้นหมายความมาไปเสดเมถุนข้าวแล้วก็ต่อศีลแล้วก็กลับไปเน้นเหมือนเดิมได้มีพระกับภิกษุณีแต่นั้นเองที่กลับอีกไม่ได้ตลอดชาติสรมเณรดีก็กลับได้นะสิกขมนานี่ก็กลับได้ แล้วพระนั้นถ้ากลับก็คือสมมติว่าเป็นพระแล้วลดเพศเป็นสามเณรได้มันไม่ใช่ฆ่าทิ้งนะฮะไม่ใช่มาตรการฆ่าทิ้งเราเห็นว่าเสเเมถุนนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความผิดส่วนตัวแต่ฆาาสัตว์เนี่ยเป็นความผิดสาธารณะเป็นกฎหมายด้วยผิดผิดกฎหมายด้วยผิดผิดศีลด้วยลักทรัพย์ผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วยอุตริมนุธรรมผิดกฎหมายด้วยผิดศีลด้วยเเมีฑุนนี่ผิดเฉพาะศีลพระต่นนั้นเอง ปิดศนะีลมันก็มีคนกลุ่มไงกลุ่มรักษาศีลแปดกลุ่มรักษาศีลสิบกลุ่มนางสิกขามนาซึ่งรักษาศีลนางสิกขามนาได้ยิงศีลหกข้อแต่นางสิกขามนาศีลข้อที่สามเซนที่จะเป็นการเมยไม่เป็นการเมเป็นอภพรย์แล้วก็เพิ่มข้อวิกาเข้าไปเพิ่มข้อวิกาเข้าไปก็เป็นหข้ อ, อนางสิกขามนาก็คือผู้หญิงที่เตรียมจะเป็นเป็นภิกษุณีนะฮะไม่ใช่เป็นสามเณรดี สามเรลีรักษาศีลสิบมาถึงจุดหนึ่งอายุครบสิบแปดเต็มเนี่ยท่านจะเปลี่ยนศีล ร, รักษาศีลแค่หกแต่หกข้อ น, นี้สองปีเ็อขาดไม่ได้นะจะขาดน้ำหนึ่งใหม่วิธีฝึกสร้างสร้างอันตรายเห็นไหมว่าเป็นเป็นความผิดเฉพาะตัวท่า น, นั้นเดงเป็นกรรมของท่านนะเราจะไปทำกรรมร่วมกับท่านกันแล้วกันถึงเห็นว่าพระประราชิกเลยตกเลย เราก็มาตุสอบร่างกายเห็นไหมไม่ได้เรื่องอะไรอะ่ะไม่ได้เรื่องอะไรตรงตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องรับผิดชอบส่วนตัวเท่านั้นเองในฐานะเป็นสมาชิกหมู่คณะเขาก็บอกการตักเตือนบอกการตักเตือนท่าที่ทําได้นะฮะแต่ว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่ที่จิตสํานึกจิตสํานึกว่าคนเหล่านั้นเขาเกิดสํานึกบาปเขาแก้ไขตัวเขาเองไงนะเขาแก้ไ ข, ขตัวเขาเอง ตามปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพระรักษาศีลได้บริสุทธิ์หมดโจดไม่มีพลาเรื่องเหล่านี้เลยนะไม่ใช่เหรอฮมันมีมันต้องแต่ไหนแต่ไหแต่พอมีทักกระสือพอมีทั้งกระสือนะบางทีเห็นท่าไม่ดีก็สึกอยด้วก่อนเมื่อก็มีนะเมื่อมีอะไรมันอยู่ที่จิตสํานึกแต่นั้นเองจิตสํานึกแล้วก็ท่านเหล่านี้คืออุบาสกต่อไปนะฮะไม่ใช่ว่าคาดชิ้งตกนรกหกไม้ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจิตศีลของพระเป็นพระไม่ได้แต่นั้นเอง จเป็นบะศอกก็ได้เนี่ยนะก็ไม่ได้วาอะไรบะศอมันรักษาสีลงข้อกามีแต่นั่นเองไม่ใช่ข้ออัปลังอะไรหรือว่างๆท่านรักษาศีลงแปดอีกก็ไม่วาอะไรคนละเรื่องกันเป็นเป็นเป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะเพราะงั้นสิขาตรงนี้ท่านท่านต่างหลายจะเห็นว่าปฏิบัติเพื่อสงบที่ตัวเองและในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมก็เมื่อคนสงบมาอยู่ร่วมกันมั่กลายเป็นสังคมที่สงบ แต่ว่าแต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะตัวเป็นปัจจตังนะเป็นปัจจตั ง, เ ป, ปจจตงเป็นสันทิฏฐิกักก็เห็นได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวแล้วก็บริสุทธิ์ได้เฉพาะตัวที่พระเจ้าทรงสแสดงวัสดทุที่อสุธิปัจจิตังนานโยอัญญังวิสุทธเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนหนึ่งจะทําคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้นะแม้เขาบางทีกระแสสังคมนะอาจเชีย่ยวได้นะฮะแต่จริงๆเขาก็คงบริสุทธิ์เหมือนเดิม ก็ไปสุดเป็นถึกมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนคราวหนึ่งที่เราเล่นเขี้ยวหนุมานเกือบเป็นเพชรไปนะฮะสังคมก็ชี C ้เอาไว้นี่ราคาแพงโอ้ oh, ตามล่าเขี้ยวหนุมานกันนะฮะจันแดงจันขาวเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันขาวขา ว, วิ่งไล่กันเห็นนะฮะสังคมชี A ้เอาแต่เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นก็ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นสเสน่ห์จันแดงเหมือนเดิมก็เป็นเขี้ยวหนุมานเหมือนเดิมตัวจะมีค่าเดิมไม่ครับเมืออยู่ที่คนคนไปชี้เอา เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลยนะะเขาก็คงเป็นเขาฮะเขาคงเป็นเขาเพราะงั้นตรงนี้ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นเรื่องที่รับผิดชอบตัวเองเป็นหลักนะฮะท่านท่านท่านกันสปะโคดเองท่าก็รับผิดชอบตัวท่านทีนี้การปฏิบัติตามศึกษาทิศขาศึกษาในทิศขาคำว่าศึกษาโดยความหมายแล้วเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้ด้วยแล้วก็หมายถึงการปฏิบัติด้วยแต่ว่า ทางโลกนั้นเราจะเห็นว่าศึกษาเนี่ยจะหมายถึงเฉพาะการเรียนหมายเฉพาะการเรียนไม่ได้หมายถึงถึงการปฏิบัติด้วยแต่ของเราจะหมายทั้งการทั้งปริญญาทั้งปฏิบัติมามความมาการศึกษาให้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามไปตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้ทีนี้บางคนเนี่ยมันปฏิบัติปฏิบัติเพื่อตัวเองมันดีเพื่อตัวเองมันไม่ได้ช่วยสังคมถ้าจะยกย่องยกยก่องได้อย่าง อย่างเดียวครับตรง น, นั้นท่นจะต้องมีการยกย่องสรรเสริญในสิกขาทั้งหลายมีการพูดประรบถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวของคาถาวัตถุคือเรื่องที่ทรงสอนให้เรานํามาพูดสิเรื่องนะนะเรื่องเรื่องมักน้อยชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ประลบความเพียนสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาบิมุติมุติยานทะัศนะคือสิบข้อหมายความว่กมาพูดแล้วในใจมันจะสงบ ไม่ใช่พูดแล้วร้อนชาขึ้นมานะฮะเกิดทะเลาะวิวาทกันพูดให้เกิดสงบที่ศีลด้วยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่พูดอย่างนี้พระเจ้าไม่สันเซิลไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่สันเซิลประการที่สามเนี่ยสมมติว่าเราสันสซิลเรายกย่องแต่ไม่เชิญชวนใครไม่เชิญชวนใครยังยังคนไทยเราเนี่ค่อนข้างยากเอามาเอมามากลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่มาเป็นห่วงมากเลย วันที่สามเนี่ยนิมนต์ไปสัมมนาสภามหัศนะรย์นเนี่ยเข้าไปอยู่โรงแรมเลยไม่กล้าไปคนต้องผ่านห้าร้อยนะเอาพระไปองค์เดียวอ่ะมันวิวววยังไงชอบคนน่ะเลยเลยอย่างนี้ก็จะบันทึกจะบันทึกส่งไปไปที่เลขาธิการนะามัศจร์อาจจะบันทึกชี้แน่ไปคงไม่กล้าไปนะไม่กล้าเข้าโรงแรมอะไรที่ที่หาดไอ้ที่พัทยาโแรมของ ใหญมากแบบนั้นอะไร ambassador อะไรเนี่ยคนต้องพันห้าร้อยนะพระโผไปอง์เดียวเนี่ยหลังเย็นเลยนะยนะข่าววัที่อย่างเงี้ยก็เขาคงจะเขียนไปให้ใหเขียนไปให้แต่เนี้ยเราต้องการที่จะที่จะให้เห็นว่ามันมันมันจะต้องมีการเชิญชวนเชกญชวนด้วยะจะต้องมีแผนที่จะ เชิญชวนชักชวนคนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่จะมุ่งแข่งขันมุ่งจะต่อสู้มุ่งจะแย่งตลาดอุตลุดการผิดคนก็คิดเป็นตัวสินค้าออกมาจะขายที่ไหนดูแรงงานนะมันเอาเอ า, เอาคนเป็นวัตถุเอาเอ า, เอาคนเป็นสินค้าทางวิศวะต้องการเท่าไหร่ทางทางแพทย์ต้องการเท่าไหร่เราก็ผิดออกมาผิดออกมาส่งไปป้อนตลาดนะมันมันมันคนมันก็คือสินค้า สินค้าจะเอาไปแข่งไปแย่งตลาดมันไปเพิ่มโลภาโทสะเพราะั้นมันมันมั น, มนตรงนี้ต้องมีแหละต้องมีแต่ว่าต้องมีศีลธรรมคุมต้องมีศีลธรรมคุมแล้ะเห็นว่าศีลธรรมนั้นได้ยิงเมือกันน้ำเนี่ยมันคุมเสาคอนกรี ต, ตอยู่คอนกรี ต, ตได้ที่หมดน้ํามันก็ยุอกเห็นสังคมที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมเข้าไปคุมมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญคนที่ไม่ไม่เชิญชวนชักชวนให้ ปฏิบัติตามหลักของใจจิกับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าคนที่ปฏิบัติตามตรงนี้เขาประสบความสาเร็จประสบความสาเร็จประสบความสุขความเจริญถ้าคนไม่ยกต้องสันเรินคนประเภทนี้พระองค์ก็ไม่ไม่ไม่สันเรินเพราะตรงนี้ตรงตรงไรมันมั น, ม, นมันพิสูจน์ใจคนนนะพิสูจน์ใจคนว่าเมื่อเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่สันเสริญเนี่ยหมายความมากหนึ่งก็คือใจจืดสองก็คือลิสยานะีจะมีอยู่สองอย่างแต่นั้นแหละคุณไม่มีอย่างอื่นหรอกภายในใจคุณไม่มีคุณธรรมแน่นอนนั้นก็คือใจจืดหรือลิสยาถ้าลิสยาก็หนักหน่อยเราควรมุชิตานะควรแสดงความพล่นเพลิดเพลิ น, ลนชื่นชมยินดีกับคนที่เขาทําอย่างนั้นนะเขาประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะงั้นคนสี่ประเภทเนี้ ที่เพศคือคนที่ไม่ศึกษาในศีลขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่สันเสริญ น, นะไม่สันเสริญการปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาและไม่เชิญชวนเชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ยกย่องไอ้นั้นยกย่องตัวศีลสมาธิปัญญานะฮะตะกี้นี่นะข้อที่สองยกย่องตัวศีลสมาธิปัญญา ข้อที่สข้อที่สเนี่ยคือยกย่องคนที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าม่ยกย่องพระองค์ก็ไม่สันสซินคนตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไปสันสซินคนคนนี้ก็คือคนผ่านนะเนี่สนเซินผ่านมันก็กลายเป็นคนอื่นถือตามปฏิบัติตามเขาเรียกทรงชยัยว่าเป็นทิฏฐานุกติคนจะเอาคนเหล่านั้นเป็นแบบเป็นตัวอยา่าง แล้วก็ยึดถือการประพฤติปฏิบัติกันมานะฮะคล้ายๆกับกระแสสังคมเราเราลองสังเกตว่าในวรรณคดีเราพระเอกเนี่ยนะพระเอกมีเมียเยอะทางนั้นนอกจากพระรามมันมันเยอะเลยคือนะพระเอกมีมีเมียเยอะเลยแต่แต่คนอย่างพระอภัยเนี่ยยกัยกเยอกว่าหมดเลยอุตลุดไปหมดเลยนะสังคมไทยเราก็อยากจะเป็นพระเอกกันใหญ่ก็สร้างสังคมที่ไปได้ทิฏฐานนกติอีกแบบนึ่ง ไปได้ไปได้ไปได้แนวอะไรแนวที่รู้สึกว่าตัวเองในเป็นพระเอกนะพระเอกในวันนคัค ด, ดีนะเราชื่นชมขุนแผนนะชื่นชมพระอภัยชื่นชมอะไรแต่ไรเนี่ ย, ยเยอะ่ยะไปหมดเลยแต่ละคนเนี่ยนะอินอาอินเอก็อุตลุดไปหมดเลยอุตลุดไปหมดเลยเรานึกดูว่าว่าคนล้มตายพระโคกเหล่นี้เท่าไหร่คนล้มตายไปไปเพราะเรื่องอันเนี้ย ที่เกียวกับอินเนาะเกี่ยวกับบุษบาเกี่ยวกับไอ้มายารัษมีเกี่ยวกับอะไรในๆเยอะแยะหมดเลคนตายไปเท่าไหรนั้นก็คือสิ่งที่อะไรเราไปยกย่องสรรเสริญเรื่องที่ไม่น่ายกย่องสรรเสริญมันก็ได้แนวทิฐานอนติคือคนรุ่นหลัง เ, เราตามเอเราถ้าทําอย่างนี้เป็นพระเอกนะนะเป็นพระเอกไนดะ้แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มีที่มีปัญหาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญคนพวกนี้แล้วก็สรรเสริญคนพวกนั้นก็คือสรรเสริญคนที่ศึกษา ศึกษาในใจสิกขาทรงใช้ตรงนี้ทรงใช้กว่าสิกขาเฉยๆศึกษาคือใจสิกขานะครับทีนี้ท่านทั้งหลายจะต้องมองว่าใจสิกขาจริงๆคือวิถีชีวิตนะฮะคือวิถีชีวิตไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระใชก่อนไม่ต้องเป็นพระต้องเป็นอะไรมันเป็นวิถีชีวิตเป็นเกณฑ์มาตรฐานของชีวิตที่ที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของชีวิตที่มีมาตรฐานเราเป็นคนนะฮะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ มนุย์ก็คือเป็นสัตว์ที่คิดได้หรือที่คิดจะมีเหตุผลได้เพราะฉั้นแนวสีนี่เห็นได้ชัดว่าคือแนวคิดที่มีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ตนกับสิ่งมีเกี่ยวเนืน่องเป็นตนจะแม่รักหวงแขนทนุถนอมตนกับสิ่งเกียวเนืน่องเป็นตนนั่นคือธรรมชาติของกคนนะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทีนี้คนที่คิดมีเหตุผลก็คือว่าเมื่อรู้ว่าเขารักตนถนอมตน ได้ขอนี้เกี่ยวเนื่องเลยเขาเราก็จะไปเบียดเบียนเขาติดเดี๋ไปเบียดเบียนเขาติก็เกิดสำรวมระหวังขึ้นเห็นไหมต่างคนต่างเคารพสิทธิในชีวิตของการรายการไม่ต้องเกินกันเคารพสิทธิในทรัพย์สินของการรายการไม่ต้องเกินกันเคารพสิทธิในคู่ครองของการรายการไม่ต้องเกินกันก็มีความรู้สึกเป็นมิตรแต่เคารพสิทธิในการจะฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องข้อมูลข่าวสารที่เขาว่าว่ายังไงความจริงเป็นยังไงเราก็ว่าอย่างนั้น แต่อย่าลืมเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงได้มันตามสถานการณ์เพราะเป็นลักษณะของการรายงานไม่ใช่ว่าเอ๊ะวันนี้ท่านพูดอย่างนี้ต่อมาทําไมท่านพูดอย่างนั้นออมันข้อมูลมันคนเรื่องกันนะ่ะอุณหภูมิขนาดนี้เราก็ว่าขนาดนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันลดเราก็ลดอะอุณหภูมิมันเพิ่มเราก็เพมันพูดตามที่เราสัมผัสในขณะนั้นเจอไหมฮะพูดตามที่เราได้เห็นเราได้ยินเราได้รู้เราได้ทราบ ในขณะนั้นนั้ในขณะนั้นเรื่องอะไรก็ตามเพราะงั้นอย่างอย่างสานวนวันก่อนในอบรมนักข่าวมันนะ่ะข่าวมันแทะมันที่กูตีกันนั่งอบรมกด้หน่อยนะมันไม่ค่อยลงให้เวลาเวลาพูดสั่งสอนอะไรมานะบนตำนที่ที่จริงเป็นนักข่าวเดี๋ยไม่ใช่ยากอะไรนักข่าวก็คือว่าข่าวก็คือข่าวข่าวคือรายงานเมื่อรายงานอากาศอ่ะอากาศเป็นยังไงคุณรายงานไปอย่างนั้นความเห็นความเห็นก็คือความเห็น คุณอย่าลืมว่าความเห็นนั้นคือเป็นปัจเจกชนมันไม่ใช่สาตานาชนเพราะฉันเห็นอย่างนี้ทุกคนต้องเห็นตามฉันว่าไม่ใช่อย่างนั้นความเห็นก็คือความเห็นเท่านั้นเองมันมันเป็นส่วนของปัิจจคชนขอล่ำนิษฐ์มันจะใหญ่โตยังไงก็คือเธอเท่านั้นไม่ใช่ประชาชนประชาชนทั้งหลายไม่ใช่ประชาชนทั้งหลายเธอคนเดียวเธอต้องรู้เธอเขียนคนเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ประชาชนว่าอย่างนั้นใช่เธอเป็นประชาชนแต่เธอจะอ้างประชาชนคนอื่นความเห็ก็เธอเธอนามากกาอะไรก็เธอก็เธอนั่นแหละ ก็พ่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าเธอทำไม่ได้เธอพูดคนเดียวเธอว่าประชาชนทั้งหลายมันไม่ใช่ทั้งหลายเธอไปสอบถามมาที่ไหนนะแม้แต่ทําข้อมูลจากดูสิทธิโพลอะไรก็ตามเถอมันก็ไม่ได้พันกับคนนั้นเองนหละแต่นี้ก็คือก็คือสิ่งที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสัจจะมันก็อยู่ที่ตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเพราะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องนี้ถ้าเราได้เห็นเราก็พูดได้เห็นนะถ้าได้ยินเราก็พูดได้ยิน ไม่ใช่ได้ยินแล้วพูดว่าได้เห็นได้เห็นก็ได้ยินคนละเรื่องกัน น, นะนะได้เห็นกับกับได้ยินคนละเรื่องกันเพราะสิ่งที่เราได้ยินนั้นเราจะเห็นว่าเราเชื่อคนอื่นมาอีกเที่ยวนึงใช่ไหมเราเชื่อจากคนอื่นมาอีกเที่ยวนึงแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยเรารู้ด้วยตาของเราเองแต่จริงหรือไม่จริงไม่รู้จริงหรือได้ได้ยินนั้นหมนายความว่ามันก็มีเสียงจากคนอื่นนอะ เงี้คนอื่นเสียงเล่าหรือแล้วบางบางทีเราเป็นคนที่เท่าไรเราก็ไม่รู้เลยทั้งไปแต่เห็นนั้นมันค่อนข้างจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่าเราได้ยินนะเรื่องเราได้ทราบได้ทราบโด้วยจมูกดยลิ้นด้วยกายบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นเพาเหตุสัมผัสตรงบางอย่างก็ไม่ใช่สัมผัสตรงดังนั้นก็พูดไปตามนั้นนั่นก็คือแนวของการศึกษาเห็นไหมมันเป็นวิถีชีวิต ศีลจึงเป็นวิถีชีวิตที่เราคิดเราคิดแล้วเราอยู่ศีลได้จึแบลวปกติปกติภาพปกติสุขหมายความว่าถ้าเราอยู่โดยปกติของเราไม่เบียดเบียนไม่วะทุสลายกันเราก็อยู่โดยปกติภาพทาให้การอยู่ร่วมกันก็เป็นปกติสุขก็กลายเป็นสันติสุขสันติภาพมันก็สืบเนื่องจากสันติธรรมสันติธรรมก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ งดเว้นนะฮะงดเว้นดันเดการเบียดเบียนประทุษรายกันจิตสํานึกเหล่านี้ที่จริงเป็นจิตสํานึกที่สากล น, นั้นมีคำอยู่คำหนึ่งเบียนี้พระเองก็พูดไม่ถูกนึกจะเตือนบางทีก็เตือนเอานะฮะคือคือคือถ้าเป็นพระผู้หนุ่มหนุ่มน่อยพอเราเตือนได้เราก็เตือนนะคําว่าโลกวัชชะคำว่าโลกวัชชะกับปันนติวัชช ะ, ะ, ช ะ, ะ, ชะท่านไม่เข้าใจคําว่าโลกวัชชะ ตรงนี้เรีหนังสือมานานไม่เคยอ่านพระไร่บิดกคําว่าโลภวัชชานั้นคือผิดทั่วโลกวัชชาแปลว่าโทษนะผิดทั้งโลกเป็นโทษทั้งโลกคือฆ่ากันในเป็นโทษทั้งโลกรักทรัพย์กันในเป็นโทษทั้งโลกลุ่งเกินคู่ครองกันเป็นโทษทั้งโลกโกหกเป็นผิดทั้งโลกทั้งโลกเห็นว่าผิดหมดเห็นไหมที่จริงมันมีอยู่สี่ข้อท่างนี้ถามว่ากินข้าวเย็นเป็นโลกวัชชาไหมไม่หรอก ไม่ผิดทางโลกมันผิดจะพาะคนรักษาศีลบรสุแต่นั้นเองจะมาเห็นไหมศีลบริสุทิ์ศีลแปดสามเนรนะพระสงฆ์เท่านั้นเองไม่มีฮะเพราะพวกพวกงดเว้นกินข้าวเย็นในเมืองไทยนอกจากพวกไม่มีกินนะะพวกไม่มีกินก็ไม่ใช่งดเว้นแต่ก็ไม่มีกินนะมันมีไม่เกินสามล้านคนนะทั่วประเทศในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนครักษาศีลตัวนี้มีไม่เกินสามล้านคน ประากรแค่หกพัน 6, ล้านมันมีไม่ได้มากอะไรหรอฮะมันเป็นปนัณติวัชชาเฉยๆท่านผิดมันก็เรื่องของท่านแต่ถ้าเราเราทําไม่ได้ก็ท่านท่านทําได้มันตั้งหลายวันนะก็ท่านผิดเราทําไม่ได้เลยก็ท่านดีกว่าเราอย่างน้อยท่านก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่เราไม่ได้ทําเลยอะเราไม่ได้ทําเลยทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเป็นความนี้ไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นปนัณติวัชชามันผิดผิดตามบทบัญญัติ ปิดตามบทบัญญัตขิของของสีขาวบทนั่นๆ น, น, นะฮะเขาจะเห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่สากล น, นะครัันเหมือนไหนมันเหมือนการกระทาเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะมีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยผิดนะฮะแต่ไปเมืองจีนแล้วนั่นคือวีรชนเลยเห็นนะฮะอันนี้คือคือคื อ, คอมันไม่ใช่สากลมันเป็นปัญติวัชชะมันเป็นผิดตามบทบัญญตัติผิดตามบทบัญญตัติท่านนั้นเองเวลานี้สังคมก็กําหนดอย่างนั้น บรรยัติมันมันผิดในแง่ที่เป็นกติกาสังคมของกลุ่มชนเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ผิดเป็นสากลเพราะงั้นศีลจริงๆมันจึง ค, ค, คือเรื่องสี่ข้อเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองเรื่องติดต่อสื่อสารกันของคนนะนั่นเองนะศีลข้อที่หก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมันมันมันมากระทบกระทบข้างบนสามข้อข้างบนเท่านั้นเพราะงั้นถ้าเราศึกษาก็คือเราปฏิบัติแล้ว ทีนี้กระทำยังไงว่าโสัมผัสสิ่งดีดีงามแล้วก็นำไปยกย่องสรรเสริญนำไปยกย่องสรรเสริญมันก็เป็นการโปรโมทธรรมะเหล่านั้นนะโปรโมทธรรมะเหล่านั้นเพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความสนใจคล้ายๆกับพระเทพอ่ะพระเทพพระพุทธเจ้าเทศสดพระพุทธเจ้าเทเสด ท, ท, ท, ที่จริงมีลักษณะสองข้อหลังหมาย ค, ความว่าไงหมายความว่า โปรโททามทธรรมะด้วยแล้วก็เชิญชวนจักชวนคนไหนชวนได้ก็ชวนเห็นไหมว่าส่วนใหญ่นีเจะเทศเทศคือคือแสดงคือสแสดงบอกงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างางั้นดีอย่างงั้นอย่างนั้นว่าไปราเรแค่สแสดงสแสด ง, สดง เ, รเราเราเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาอะไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขาทีนี้บางคนเนี่ยพอเราพูดได้คล้ายๆกันเนี่ยอย่างพระราวูุนเนี่ยเห็นไหมจับบวชเลยไ <laughs> อ้ น, นี่ไอ้ น, นี่ลูกชายพระนนท์จับบวชเลย แต่คนทั่วไปไม่พระเจ้าไม่ไปยุ่งก็ขนาดนั้นเลยนะฮะสั่งเลยนะบางทีก็สั่งเลยเอา้าถ้าได้บุตรเอาราหุนมาบุตรสั่งเลยทําได้นะทําได้ในกรณีนั้นเราจะเห็นว่าวงของเราเนี่ยมันจะจํากัดเราสั่งขนาดนั้นไม่ได้กี่คนหรอกพระเจ้าก็สั่งไม่กี่คนนะจึงทําในแง่ของการสันเซินศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เชิญชวนชักชวนสมัครบางคนทีนี้พอเขาทําดีเนี่ย ใครทําดีก็ตามปฏิบัติตามหลักศีล ส, สมาธิปัญญาก็ตามพระเจ้า ก, ก็ยกย่องนั่นก็คือแบบว่าแบบตัวเนี้เป็นปฏิปทาของพระพุทธเจา้าปฏิปทาพระอาจารย์ทั้งหลายปฏิปทาคนดีทั้งหลายใครก็ตามที่มีการสรนเสริญศึกษาในเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาและยกย่องคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เดินชเชือดจักชวนบุคนลอื่นที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยกย่อง ท่านที่ปฏิบัติจนประสบความสมําเร็จใครก็ตามนะฮะทำอย่างนี้พระเจ้ายกย่องสรรเสริเพราะอะไรเพราะถ้าใครถือตามปฏิบัติตามคนเหล่านี้นะฮะการริษยาการเบียดเบียนการอะไรๆกันมันก็ยุติก็บรนเทาไอ้อายุติหมดคงคงไม่ยุติอ่น ะ, ะแต่มันจะบรรเทาลดน้อยลงไปทําให้การอยู่ร่วมกันโดยปฏิสุกเกิดขึ้นในสังคมนี้ก็เป็นข้อความในพระสูตรที่ทรงแสดง กระรบที่หมู่บ้านปังกะฐานะฮะปังกฐาจรจึงเป็นชื่อหมู่บ้านเฉยๆที่จริงไม่ใช่ชื่อของประสูทรเอ่อไม่ใช่ชื่อของตัวคุณธรรมวันนี้ก็ข อ, อยุิไว้ในเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนราโดยตัวการทุกท่านค่อน